เรื่องที่13แพ้เป็นพระใช่นะเป็นมานปีนี้ชาวไทยมีเรื่องวิะโยคสุดซึ้งอยู่เรื่องหนึ่งคือถูกสารโลกตัดสินให้ยกเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดให้แก่ประเทศกัมพูชาทันทีที่คำประกาศสิทธิสารโลกแพร่เข้าสู่ประเทศไทยชาวไทยผู้รักชาติกำลังจะลุกขึ้น ข้าพเจ้าได้เสนอบทความนี้ทางเวทยุทธ์ท ท, ทเพื่อเป็นข้อคิดในยามแพ้ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่รู้สึกเสียใจอย่างสดซึง้งที่เราถูกบังคับให้เป็นผู้แพ้ทั้งๆที่เราก็มองไม่เห็นว่าเราได้ทำผิดคิดร้ายอะไรแต่เรื่องของเรื่องมันก็ได้แพ้เขาแล้วไม่ว่าเราจะนิ่งหรือเราจะพูด ไม่ว่าเราจะหัวเราะหรือเราจะร้องไห้เราก็เป็นผู้แพ้ฉะนั้นเราลองมาคิดเรื่องแพ้เรื่องชนะกันดูบ้างบางทีจะสบายใจกระมังพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สันเสริมความชนะร้อเอร์เซ็พระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาของเราก็เป็นผู้ชนะได้พระนามว่าพระพิชิตมาร ในการสู้รบป้องกันชาติบ้านเมืองก็ได้ทรงสอนไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าสังกาเมเมมะตังเซโยยันเจชีเวป ร, ราชิโตแปละวะ่าตายในสงครามดีกว่ายอมแพ้ข้ออื่นๆก็ยังมีอีกมากนี่แสดงว่าพระพุทธศาสนาไม่สันเสริญการแพ้และสันเสริญการชนะโดยประกาศทั้งปวง ชาวไทยเราเป็นผู้นับถือศาสนาของพระองค์ซึ่งเป็นจอมชนผู้ชนะเราก็พากันถ่ายทอดเอาอัธยาศัยนั้นมาเป็นอุดมคติของเราชาวไทยพุทธจึงไม่ใช่คนขี้แพ้และรู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายหัวใจมากเมื่อตอนต้องเป็นฝ่ายแพ้เขายิ่งถ้าเป็นการจำใจแพ้เพราะอำนาจอายุติธรรมเราก็ยิ่งเสียใจมาก แต่ก็เป็นบุญคุณของเราอย่างหนึ่งที่ได้พระสัสดาผู้สื่อตรงอย่างที่สุดทรงสอนรมตามเป็นจริงไม่มีเสแสร้งแกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนแม้ว่าในเรื่องที่พระองค์และศาสนิกไม่ชอบอยู่ก็ตามเช่นเรื่องความทุกข์ความตายความชิบหายและเรื่องเลวร้ายอื่นๆเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครชอบ แต่เมื่อทำวิสัยจำต้องทำให้ชีวิตของเราอาเผชิญหรือต้องประสบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พระองค์ก็ทรงสอนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในเรื่องการแพ้การชนะนี้ก็เหมือนกันคนเราแม้ว่าจะมุ่งชนะอยู่สักป่านใดก็ตามแต่ก็มีบางโอกาสที่จะต้องแพ้เขาเพราะความยุติธรรมกับอำนาจ ยอมไม่แน่ว่าจะมีอยู่ในคนคนเดียวกันเสมอไปเช่นเดียวกันกับที่ความสามารถที่ไม่แน่ว่าจะมีอยู่อย่างเพียงพอในคนที่อยากชนะเขาด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสอนพุทธศาสนกให้ทราบความทั้งสองทางคือทางแพ้ทางชนะถ้าเราลองแยกประเภทคำสอนในพระศาสนาออกดู ก็อาจจะพบว่าพระองค์ได้ทรงสอนวิธีแพ้ไว้ไม่น้อยไปกว่าวิธีชนะเสียด้วยซ้ำเห็นจะเป็นที่ว่าการแพ้เป็นเรื่องที่ทำได้ยากศิลปะในการแพ้เป็นเรื่องซับซ้อนยิ่งกว่าในการชนะมากผู้แพ้จึงจาเป็นต้องรู้ชั้นเชิงไว้ให้พอตัวคนที่ไม่เรียนวิชาแพ้ไว้บ้างนั้นครั้นถึงเวลาแพ้ก็แพ้อย่างสิ้นเชิง ตรงกับสำนวนภาษาไทยที่ว่าความข้ามเมาคือความแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเหมือนกับจานข้ามเมาถ้าลงได้ความแล้วเป็นอันหกหมดผิดจากข้าสุขซึ่งยังอาจเหลือติดก้นจานอยู่บ้างวิธีแพ้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้นั้นมีหลายวิธีแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดควรจะแพ้อ ย, อย่างไรวิธีเหล่านั้นได้ปรากฏออกมาเป็นข้อธรรมในหมวดต่างๆเช่น ขันติความอดทนเมื่อถูกคนอื่นทําล่วงเกินโสระจะการควบคุมอารมณ์ให้ราบเรียบในเมื่อถูกกระทบกระแทกธมะความข่มใจยั้งตัวยั้งใจเมื่อถูกยั่วให้ทําความผิดฮิริความละอายแก่ใจไม่สู้กับความผิดโอตปะความหวาดกลัวในการสร้างกรรมทําบาป อันจะเผาผลาญตัวอโกทะความไม่โกรธเดือดดานเมื่อมีเหตุอันชวนโกรธและอื่นๆการที่เราปฏิบัติทมเหล่านี้หากดูเผินๆด้วยสายตาของคนผ่านก็อาจจะเห็นว่าเราเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าสู้แต่ความจริงการปฏิบัติดัางกล่าวนี้เป็นชั้นเชิงในการแพ้ถ้าพูดอย่างนักมวยก็เรียกว่าถอยเอาเชิงยิ่งมวยไทยด้วยแล้ว ยิ่งต้องจําเป็นมากที่จะมีการถอยเอาเชิงเพราะช่วงเตะคู่ต่อสู้นั้นถ้าไม่ถอยก็ทําไม่ได้และไม้ตายของมวยไทยก็คือการเตะเพราะฉะนั้นถ้าไทยถอยแล้วอีกฝ่ายต้องระวังตัวให้ดีบรรพบุพ ร, รุษของไทยเราเรียนเอาทั้งวิชาชนะและวิชาแพ้จากศาสนาจนกระทั่งสามารถวางสูตรไว้ด้วยคําพังเพลออย่างง่ายๆว่าแพ้เป็นพระ ชนะเป็นมารเป็นสุภาษิต ท, ที่เข้าได้ทั้งทางโลกทางธรรมและเป็นคำที่รู้สึกว่าท่านได้ถอดเอาหัวใจพระศาสนาออกมาตั้งไว้อย่างถูกต้องเพื่อจะปลูกฝังให้เป็นอาจฉริยะของชนชาติไทยโดยทั่วกันแต่จะอย่างไรก็ตามอัธรรสของสุภาษิตข้อนี้ก็ค่อนข้างจะซ่อนอยู่ลึกึักหน่อยซึ่งเป็นธรรมดาของคำสุภาษิตไทย มักจะพูดทิ้งเงื่อนไว้ให้คนวิจารณ์จะได้จำได้ไม่ลืมที่ว่าเข้าใจยากนั้นคือความบทที่สองของสุภาษิต ท, ที่ว่าชนะเป็นมานส่วนบทแรกที่ว่าแพ้เป็นพระดูเหมือนจะพอฟังได้และใช้ได้ง่ายแต่ก็อีกแหละบางคนก็ใช้เป็นเพียงคำปลอบใจเวลาตัวแพ้เขา คือทำอะไรสู้เขาไม่ได้ก็เลยปลอบใจตัวเองว่าถึงแพ้ก็เป็นพระแล้วก็เลยเอาอีกบทหนึ่งไปใช้สําหรับว่าคนที่เขาเก่งกว่าตัวว่าแกชนะแกก็เป็นมารเพื่อจะให้เขาไม่สบายใจอย่างนี้เรียกว่าใช้สุภาษิตผิดที่และเป็นทางชักนําอนุชนไปในทางผิดได้คืออาจพากันหลงบูชาคนแพ้ด้วยเห็นว่า และหลงประนามคนที่ชนะว่าเป็นยักษ์เป็นมานก็ได้นักเข้าคนดีก็จะกลายเป็นคนเสียและคนเสียกลับจะเป็นคนดีพลาดท่าการแข่งขันกีฬาก็ดีประกวดชิงรางวัลก็ดีก็อาจถูกหาว่าเป็นการชิงตำแหน่งมานไปหมดเท่านั้นที่จริงสุภา ษ, ษิตข้อนี้เวลาใช้ต้องวิเคราะห์คาเต็มเส้อกอ่อนคือคำว่าแพ้เป็นพระ ชนะเป็นมานั้นยังเป็นคำย่อท่านตัดคำต่อตรงกลางประโยคออกไว้เพื่อให้คำคล้องจองและติดปากคนทั่วไปซึ่งเป็นวิธีผูกคำสุภาษิตทั่วไปสำหรับสุภาษิตนี้คำเต็มว่าแพ้เป็นพระดีกว่าชนะเป็นมานคือเติมคำว่าดีกว่าเชื่อมเข้าตรงกลางและเมื่อเติมแล้วก็เกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรต่อไปก็ได้ เพราะความหมายชัดแจ้งอยู่ในตัวแล้วซึ่งหมายความว่าแม้ว่าเราจะแพ้แต่แพ้อย่างพระก็ดีกว่าชนะแต่ว่าเป็นมารการแพ้เป็นพระนั้นขอให้ดูการแพ้ของพระพุทธเจ้าในการทรงต่อสู้กับมารวันตรัสรู้และในวอกาศอื่นอีกหลายครั้งหลายคราวหมายความว่าในบางครั้ง พระองค์ทรงยอมรับสถานาการณ์นั้นๆด้วยการนิ่งเสียเป็นตน้นเช่นคราวมารทวงอบาลังยากขาใต้ต้นมหาโพฝ่ายมารพยายามปั้นหลักฐานพยานเ ท, ท็จโดยอ้างเสนามารซึ่งยกกันมามืดฟ้ามัวดินเป็นพยานแต่พระองค์ก็ไม่ทรงต่อสู้ด้วยวิธีการเ ท, ท็จเช่นนั้นซึ่งเป็นการต่อสู้อย่างพระและอีกครั้งหนึ่ง ที่ทรงถูกพวกติรถีปั้นเรื่องกล่าวหาว่าพระองค์ทรงร่วมอพิรมกับนางจิงจามนาวิกาสาวน้อยเจ้าเลในคราวนั้นพระองค์ก็ทรงต่อสู้ด้วยวิธีทรงนิ่งรอเวลาให้ความจริงแสดงออกมาเองวิธีการเหล่านี้เป็นการแพ้แต่ว่าเป็นการแพ้อย่างพระถ้าดูกันให้ซึ้งแล้วก็คือชั้นเชิงในการต่อสู้นั่นเอง ในที่สุดพระก็เป็นฝ่าชนะและชนะอย่างเด็ดขาดตัวอย่างการแพ้อย่างพระนั้นท่านสอนให้ดูอย่างการแพ้ของราชสีกับหมูบ้านคือในกาลครั้งหนึ่งหมูบ้านตัวหนึ่งออกไปเที่ยวถึงชายป่าได้ไปพบราชสีเข้าก็เกิดท้าทายที่จะสู้รบกับราชสีจากความบ้าระห่าของหมูตัวเดียวทําให้เกิดกรณีพิพาทขึ้นอย่างใหญ่หลวง พวกหมู่บ้านก็เลยประกาศสงครามกับราชสีและทายั่วยุจนราชสีตกลงรบครั้นถึงวันนัดที่จะลงสู่สนามรบกันพวกหมู่บ้านทั้งหลายก็ลงเกลือกล้วในเวทจนกระทั่งเนื้อตัวเหลืองอารามและส่งกลิ่นเหม็นตลบแล้วก็เดินกลีดกลายท้าทายพวกราชสีพญาราชสีก็ได้นำบริวารมายัางตำบล น, นัดหมาย แต่ครั้นได้เห็นพฤติการของคู่ต่อสู้เช่นนั้นจึงประกาศแก่บริวารว่าถ้าพวกเราสู้รบกับหมูอันทภาเหล่านั้นก็จะเปื่อนของโสโครกเปล่าแม้ว่าจะได้ชัยชนะก็เป็นความชนะอันสกปรกยอมแพ้เขาเสียดีกว่าแล้วก็พาบริวารกลับเข้าป่าไปแพ้อย่างราชสีนี้เป็นตัวอย่างการแพ้อย่างพระส่วนการชนะอย่างมานั้น เห็นจะไม่ต้องอธิบายอะไรอีกก็ได้คือหมายถึงเอาชนะด้วยวิธีการอันสโกโปรกซึ่งแม้ว่าจะชนะไปแล้วตัวเองก็กลายเป็นมานไม่มีเกียรติอันใดที่วินยูชนจะนับถือ